เขทำมหเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18มกราคม2 5 5 8นมีชื่อเรื่องว่าหลวงปู่ล่าจากไปกระเทือนใจไม่รู้ลืม วันนี้เป็นวันที่ส8บปดมกราคมพุทธศักราชสองหรยห้าสบดเมื่อสิบกว่าปีให้หลังวันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อวิตกกังวลอย่างมากคือวันเป็นวันที่วันมรณภาพขององค์หลวงปู่ล่าหลวงพ่ออยู่ในเหตุการณ์ ตลอดในช่วงที่ท่านป่วยช่วงวันที่ 16-17 เหลวงพ่อเฝ้าป่วยตั้งแต่ท่านป่วยวันแรกที่ท่านมาจะมาการาบคารวะหลวงปู่เทศพอมาถึงอุดรมาฉันที่จังหวัดอุดรมาฉันทที่บ้านเหล่า พอฉันเสร็จแล้วท่านก็รู้สึกว่าขาเป๋เาจากนั้นขาลูกศิษย์ก็เ น, นีนยมลเอาท่านขึ้นมาที่โรงพยาบาลหมอไภรโรธอพอมาถึงโรงพยาบาลหมอไภรโรธอาการไม่ดีขึ้นก็เลยเอาใส่รถวิ่งมาส่งโรงพยาบาลศรีนะครินจังหวัดขอนแก่น พอมาสีนักครินอาการก็ไม่ดีขึ้นมาพักอยู่ไม่นานจากนั้นก็ได้แยกเอาย้ายองคหลวงปู่กลับไปผูจอกกอเพราะว่าเส้นเลือดใจแตกในสมองอาการไม่ดีขึ้นถึงจะอยู่ไปก็เท่านั้นก็เลยคณะสิทธ์ได้ประชุมหาลือ หารือกันก็ได้เอาสารีระขององค์หลวงปู่ท่านยังอาการยังหนักอยกู่ก็ไปที่ผูเจ ก, กอไปก็ไปดูที่นั่นเอาเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรต่อไม่อะไรเครื่องมือแพทย์เกือบทั้งหมดไปที่ วัดของหลวงปู่จากนั้นก็ได้ดูแลรักษาหลวงปู่ในช่วงนั้นวัดของเราก็กำลังสร้างกำแพงพอดีปี 2,537 36 37วันนั้นหลวกพ่อจำไม่ลืมหลวกพ่อกลับมากลับมาวัดเพื่อจะชำระค่า สร้างค่าก่อสร้างกำแพงที่วัดพอมาพักคืนเดียวหลวงพ่อก็เรียบกลับออพอกลับก็ไปเห็นหลวงปู่ของเราก็ยังปกติยังหายใจยังไม่มีความรู้สึกละล่ะแต่ยังหายใจปกติพ อ, อไปถึงที่นู่นสีทุ่มพอออกจากที่นี่กว่าจะชำระค่า กำแพงสมัยนั้นทําทั้ง5้าบริษัทที่มาทํากําแพงกว่าจะมาชําระเงินแต่เงินก็เนี่ยทำเรื่องเบิกจากองค์หลวงตาเบิกจากปัจจัยจากองค์หลวงตามาจ่ายเหมื่อนมาได้มาแล้วก็มาจ่ายให้บริษัทพอเสร็จเสร็จแล้วก็ลุงพ่อกิรีบกลับ พอรีบกลับไปถึงที่นน่นเกือบสามสีทุ่มขึ้นไปที่ภูเจ ก, ก้อก็เข้าไปกราบไปกราบองค์หลวงปู่ที่ท่านนอน อ, อยู่ในเครื่องช่วยหายใจพลุงพลังอย่างนั้นนะอ่พอไปกราบเสร็จแล้วหลวงพ่อเหนื่อยอก็เลยไปขอพักห่างจากกุฏิหลงปู่ไปประมาณสัก ไม่ถึงร้อยเมตดมั้งห้าหกสิบเมตรนอพอไปพักประมาณสักตีสามกว่าๆนะหลวงพ่อก็สะดุ้งขึ้นมานะเอ๊ะทำไมเพิ่งเ พ, พิ่งไปนอนสี่ห้าหกทุ่มแล้วใช่ไหมห้าหกทุ่มกว่าจะได้นอนนอนตื่นสะดุ้งขึ้นมาเอ๊ะทำไมหลวงพ่อก็หอบผ้าสังคาติผ้าผ้าคลองนะ อก็ห่มผ้ามันหนาวด้วยนะเดือนมกราเนี่ยหมผ้าไปแล้วก็เดินไปพอเดินไปก็ไปเจอท่านหมอครูมหมอบัณฑิตที่เป็นผ อ, อโรงพยาบาล น, นายูงของเราเนี่ยนะท่านบวชมาหลายพรรษาก็ให้ท่าน <c oughs> ดูแลหลวงปู่ล่าตลอดแต่งแต่มาวันแรกที่ป่วยท่านก็เฝ้าอยู่ตลอดพอจากนั้นท่านก็บอกว่า หลวงปู่ล่านใน้จากไปแล้วนะประมาณสักนี่แหละประมาณสักมาบ่ายสามกว่าเนี่ยแหละผมก็จ ะ, จะกำลังจะตามหาท่านอาจารย์อยู่หลวงพ่อเน่นะหลวงพ่อก็สะดุ้งในช่วงนั้นเหมือนกันออกจากกุฏิมาก็มาเดินมามาเจอกันเกือบครึ่งทางนะท่านเพียงห้าหกสิบเมตรใช่ไหมละ่ะ กำมาถึงท่านหมอก็ําลังเดินไปพ่อก็เดินมาท่านหมออะไรมีอะไรท่านบอกว่าผมมาเดินเพิ่งมาเดินมหาท่านอาจารย์เนี่ยนะว่าไงหลวงปู่จากไปแล้วนะว่าไงเป็นงไงครับเนีน่ะไปเพิ่งบปตีสามกว่าเกือบตีสนะี่เนอคือคาว่าไป ค, คํานี้ใครๆว่าเครื่องมือแพทย์เนะ่ยยังยังหายใจอยู่นะอแต่ว่า ตัวทิพระจร น, น่ะบ่งบอกไปแล้วนะแต่ในหลวงพ่อก็ไปเห็น เ, เครื่องมือที่ช่วยหายใจน่ะมันดันเข้าไปแล้วก็ลมน่มันดันออกมามันไม่ไปตามแนวแถวเครื่องมือที่มันเป็นไปเหมือนก่อนๆ น, นะคร้ามันดันทุกๆัก รถถึกหลักษณะอย่างนั้นแหละเหมือนกับรถมันวิ่งในทางไม่ราบรื่นอย่างงั้นอ่ะหลวงพ่อโอ้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้พอสว่างเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถเมื่อวันนะั้นเป็นวันพระนะลงบโบสถเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็ได้ประชุมหาหรือกันว่าเราจะถอดเครื่องออกซิเจนไหม หลวงพ่อก็เลยคัดค้านว่าถ้าถอดก็ถอดได้แต่ว่าดูๆแล้วหลวงปู่เหมือนกับถ้าหากว่าคนทั่วๆไปดูเนี่ยเหมือนกับหลวงปู่ยังหายใจอยู่แต่ถ้าว่าเป็นไปได้ก่อนก่อนหน้านี้ผมก็ได้โทรศัพท์ไปหาลูกศิษย์ของหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดเขาก็เข้าไปกราบเรียนแล้วบอกวันหลวงตาจะมานะวันนี้ อาจจะมาถึงประมาณสักเกือบเที่ยงเที่ยงถ้าเป็นไปได้นะรอหลงตาก่อนดีไหมแต่ถ้าว่าหมูอยากจะถอดก็ไม่ว่ากันคณะแพทย์หรือใครจะถอดไม่ว่ากันแต่ผมไม่ไม่ร่วมมือด้วยนะผมไม่อนุมัติผมไม่อนุญาตสุดแท้แต่หมูจะทำาพอหลวงพ่อดูดูแล้วว่าเวลาถอดออกซิเจนเนี่ย หลวงปู่จะมีอากับกิริยาที่เคยเห็นเห็นมานะเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ไมนะ่น่ะไม่ไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วงั้นเะอะแต่ในปู่ทั้งหลายก็มีใครก็ไม่กลา้าถอดเออเอารอก่อนพอจากนั้นมาประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงวันนี้แหละวันที่สิบแปดหลวงตาก็มาถึงพอมาถึงแล้วก็ ท่านก็ฉันหมากนั่งเกี้ยวหมากอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่นี้นเราก็ได้เสียมกันไว้แล้วให้อาจารย์หมอวัฒนาหมอแมวเข้าไปกราบเรียนองค์หลวงตาหรือวิธีการพูดพูดยังไงทํำยังไงเราก็ได้พูดกันก่อนหน้านั้นแล้วจากนั้นก็ให้อาจารย์หมอแมวเข้าไปกราบเรียนท่านหลวงพ่อก็นั่งนั่งฟังข้างๆนะจากนั้น ตรงตาเออทำมันทำหมดแล้วลก็จะเอาไว้ทําไบออกซิเจนถอดซะเ <c oughs> พราะว่าถึงยังไงก็ตามหลักวิชาการแพทย์หมดแล้ว <c oughs> ถ้าหมดแล้วก็ถอดเจ้ะ <c oughs> พะว่าถอดเท่านั้นแหละดวงตาสั่งให้ถอดถอดออกซิเจนถอดถอดเครื่องช่วยหายใจพอลวงตาลวงตาลงปูปากไปแล้วแะ่ในพอถอดเท่านั้นอะ ไม่ถึงสิบนาทีอากับกิริยาของหลวงปู่นแสดงคล้ายๆกับว่าธาตุขันมันจะแตกนะเหมือนกับหลวงตามหาบัวพูดจริงๆเหมือนกับกอไผ่กอไผ่ที่มันไฟไหม้กอไผ่ลักษณะนั้นนะไฟไหม้กอไผ่ พวกเราอยู่บ้านนอกก็คงจะเห็นไฟไม้กอไผ่ไม่จะต้องแตกใช่ไหมป่องปังป่องป่งปองป่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องอลักษณะอย่างนั้นอ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันธาตุธาตุขันธาดขันจะแตกธาตุจะแตกธาตุสีดินน้ำลมไฟคือร่างกายของเรามีธาตุดินคือกระดูกธาตุน้ำก็คือเลือดธาตุลมก็คือหายใจเข้าออกธาตุไฟก็คือความอบอุ่น นี่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายของเราแต่นี้วิญญาณคือความรู้น่ยจะออกจากร่างนะพอออกจากร่างเนี่ยธาตุมันก็จะต้องหมดสภาพนะมันก็ต้องแตกอป่งปังบป่งปังมันี่แหละพอถอดออกเสร็จแล้วนะหลวงตาท่านกับเข้าไปยืนในภาพหลวงพ่อไปยืนเคียงคู่เคียงข้างหลวงตาน่สมัยนั้นยังเป็นพระ หน้าซนหลอนอยู่นะยางหน้านหนุ่มมากเลยดูๆในภาพนะ เ, เห็นๆก็โอ้ป่งตกปง่งปงความสรุดสังเวชอย่างแรงในใจไม่มีใครที่จะรู้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะจากไปมีความรู้สึกอะไรไม่รู้อย่างลึกๆเหมือนกับที่พึ่งทางด้านจิตใจลักษณะอย่างนั้นถือว่าหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็น พ่อบังเกิด9ก้าองหลงตาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเราทุกอย่างแต่ถึงยังไงก็ยังลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เหมือนเราเกิดมาจากพ่อแม่จากนั้นเราก็มาศึกษากับทิศปาโมกอาจารย์ลักษณะอย่างนั้น นี่หละคือหลวงปู่ล่าเนี่ยเหมือนท่านเราเป็นเนนอยู่กับท่านเป็นเวลา8ปีแล้วก็เป็นพระอีกอยู่กับท่านอีกเป็นเวลาอีกหนึ่งปีเป็น9ปีอยู่กับหลวงปู่ล่าค้เขาจะเป็นเด็กจนถึงเป็นหนุม่มจากนั้นจะได้มาอยู่กับองค์หลวงตาเมื่ออายุ24่สิบ่ปีพรรษาสี่จากนั้นจนอยู่กับหลวงตาเป็นเวลา14ปี 2,512 ถึง 2,525 มาอยู่กับองค์หลวงตานะนี่แหละในช่วงนั้นก็ 2,537-38 เนี่ยองค์หลวงปู่ลาศที่ท่านได้จากไปจากนั้นก็องค์หลวงตาของเราก็ 2,554 อองค์หลวงตาได้จากไปอีกนี่แหละอันนี้ก็คือเท้าความหลังให้กับพวกเราคณัทายาิโยมได้ฟัง ก่อนที่องค์หลวงปู่ล่าท่านจะธาตุขันจะม้างม้างธาตุขันทาธาตุขันจะแตกลักษณะอย่างนั้นเห็นกับตาจากนั้นก็หลวงตาท่านก็ได้สั่งเอาไว้ว่าเออถ้าหาว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีไฟพระราชานหรือไม่มีอะไรยังค่อยบอกบอกไปนะ แอ่ถึงอย่างไรถือถึงท่านล่าจะบอกว่าถ้าว่าตายตอนเช้าให้เผาตอนเย็นถ้าตายตายตอนเย็นให้เผาผุ่งในเช้าไม่ต้องเก็บเอาไว้เว้นเสียแต่ท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านว่าอย่างไงก็ให้เชื่อฟังคำของท่านอันนี้คือหลวงตาหลวงปู่ล่าท่านสั่ง ท่านสั่งกับคณะสิทธยาิทธิ์ท่านเขียนเป็นพินัยกรรมไว้เลยเอพอตายเราตายแล้วให้เผาเลยอย่าเอาไว้อพอวันนั้นเวลาหลวงใครทราบข่าวได้ยินไปที่ไหนคนจึงหลั่งไหลเข้าไปพอหลวงปู่ล่าท่านสั่งว่าท่านจะไม่เก็บไว้นาน เ, เพราะนั้นสิทธยาฤทธิ์จึงหลั่งไหลเข้าไปโอ้โหอัดเข้าไปในภูเจาก้อนเนี่ยแน่นเอียดเลย เพราะว่าใครก็ฟังว่าจะต้องได้ไปชุมเพิงองค์หลวงปู่เร็วนะแต่นี้หลวงตาท่านสั่งกับหลวงพ่ออย่างนั้นน่ะหลวงพ่อก็ได้ฟังครับผมคล้ายๆก็ว่าทางเบื้องบนทางสำนักพระราชาวังว่าอย่างไงทางว่าท่านจะอาบน้ำสมส ม, สมสงศหรือว่ามีไฟพระราชทาน อย่างนี้ลุงตาก็ให้ฟังเพราะว่าหลวงปู่เป็นคนแผ่นดินคนเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระของประสบในกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านจะพร ะ, พ ร, ะราชทานมาเราก็รับถ้าท่านไม่พาดพระราชทานมาเราก็ประชุมเพิงลักษณะอย่างงั้นถวายเพิงหลวงหลวงปู่ หลวงตาท่านสั่งจากนั้นหลวงพ่อก็ฟังนะพอคนทั้งหลายก็มันลุมมาตุ่มจะเล่นงานหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อก็เอ้ยฟังเพราะเราอยู่ในประเทศชาติอยู่ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่หลวงปู่ล่าท่านสั่งก็เจองอยู่จยางว่าให้เผ า, เอาตอนเผาตอน ตายกลางคืนให้เผาตอนเช้าถ้าตายตอนเช้าให้เผาตอนเย็นอันนี้ท่านสั่งแต่มีคำสุดท้ายว่าถ้าหลวงตามหาบัวเข้ามาเกี่ยวข้องอให้ฟังคำของท่านาท่านว่าอย่างไงให้ฟังหลวงปูล่ลาท่านสั่งอย่างนี้นะเพราะนั้นหลวงตาท่านสั่งว่าให้ฟังก่อน เ, อเอพราะนั้นคำว่าฟังก่อนคำนี้นะ่ะคือให้ฟังหลวงตา นะเราก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดในจุดนี้นะพอมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อ น, นจากนั้นก็ทางสํานักพระราชวังก็ท่านได้กับถวายพวงมาลาของพระบัทสมเด็จเจ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าของพระเทพของพระชายมาถวายพวงมาลาขโมดพวงมาลาเสร็จแล้วก็เราก็คอยฟังอย่างไม่มีอะไรแล้วก็กราบ เหรียญองค์หลงตาองค์หลงตาครับคงไม่มีอะไรครับเพราะว่าท่านถวายพวงมาลามาแล้วเออเอาทางงั้นก็น ก, กำหนดเอาวันที่28และ29นะเ้านะปิดเวลาสิบวันมั้งหลวงพ่อก็เลยประกาศออกไปเลยเออเอาหลงตากำหนดนะนะประชุมเพลิงองค์งหลวงปู่ของเราวันที่28แดละ29 หลวงพ่อก็ประกาศจึงมีการประชุมเพิงองค์หลวงปู่ล่าเนี่ยนะหลวงพ่อก็ได้จัดการเต็มความสามารถเหมือนกันที่เขาไปดูแลองค์หลวงปู่ของเราในคราวนั้นในครั้งนั้นเพราะนั้นในใจของหลวงพ่อเองที่งานพระราชทานงานประชุมเพิงของหลวงพ่อในในใจของหลวงพ่อเนะ่คือเนึ่องพ่อ โยมพ่อสองโยมแม่สามขุณแม่ชีแก้วสี่หลวงปูล่ลาห้าหลวงปู่จามหกหลวงตามหาบัวเนี่ยแหละคือคำในใจของหลวงพ่อหลวงพ่อจะต้องเชิดชูบูชาสุดความสามารถเต็มความสามารถถ้านอกนั้นไปแล้วหลวงพ่อเคารพสักการะบูชาทุกอง นที่เกี่ยวข้องแต่จะให้เกี่ยวข้องจริงๆคือเน่เหมือนกับหัวใจของหลวงพ่อเองหลวงพ่อเชิดชูบูชาในอพัอกหกพระองค์แต่นอกจากนั้นไปแล้วนะหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ถือว่าเป็นทุกสิทธิอนุสิทธิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคู่ทุกคนไป เนี่ยอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้จัดงานของหลวงปู่ล่า เ, เต็มความสามารถจากนั้นก็ได้สร้างพระเจดีย์ถวายท่านอีกอก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นก็ของคุณแม่ชีแก้วจากนั้นก็โยมพ่อโยมแม่แต่นั้นก็หลวงปูจป่จามหลวงปู่จามก็ไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าท่านเตรียมพร้อมเตรียมการไว้พอสมควรแล้วนะ แต่ก็ยังเหลือขององค์หลวงตานองค์หลวงตากันเนี่ยนะก็ยังพิจารณากันอยู่ในวันที่ย2สบที่จะถึงน่หลวงพ่อเขาคงจะได้มาประชุมร่วมกับคณะสงฆ์พวกน้องๆพวกคณะสัทธา ญ, ญาติโยมมีท่านผู้ว่านัดประชุมที่สรากลางจังหวัดเวลาบ่ายสองโมงมาเนี่ยนะอันนี้ก็คือ เรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้คณะทาาตัตหายาโยมลูกหลานกลุ่มอสิทธิ์ญาณุสิทธิท์ของหลวงพ่อได้รับรู้รับทราบเนี่ยวันนี้หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะได้ไปคบรลอบวันบรณภาพของหลวงปู่ล่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเมื่อสิบกว่าปีเกือบยี่สิปีให้หลัง วันนี้เป็นวันที่ปันป่วนสำหรับจิตใจของหลวงพ่อแล้วก็พร้อมกันแล้วก็เมื่อปีที่แล้วปี2015 56ปี56หลวงปู่จามก็ได้จากไปอีกเวลา19นาฬิกาวันที่19เวลา9นาฬิกาหลวงพ่อก็ไปเนะ ไปกับไปถึงมุกดาหารใครคิดว่าจะเข้าไปหาท่านเอ่อขึ้นไปกราบไปหาท่านไปพักอยู่ที่อวัดกกสพุงวัดทันฉลาดคิดว่าฉันจะหันได้จะเข้าไปอพอฉันจะหันเสร็จแล้วทราบข่าวว่าหลวงปู่จามไปมุกดาหารแบบกระทันหันโอ้ตายอหลวงพ่อก็เลย พอจันทิหันกับไปที่ห้วยทรายไปรออยู่ไม่นานจากนั้นเขาก็ได้นำสรีระคือศพขององค์หลวงปู่จามมาจากมุกดาหารตกลงพ่อก็ไปไปค่ว่าไปโดยบังเอิญค่อยๆว่าอยากจะไปในช่วงนั้นแต่ถ้าว่าไปพักที่วัดของท่านก็คงจะรู้เห็นเหตุการณ์ ที่หลว ง, งอาจะจากไปแต่หลวงพ่อก็ไปพักอยู่ที่กกเจพุงเพราะมันเหนื่อยมันไปธุระอะไรบนข่าวนั่นนะไปก็ไปพัก <c oughs> ไปพักอยู่ที่วัดกกเจพุงอาเภอ พ, าพนานิคมอำเภอนิคมคำส้อยห่างจากวัดหลวงปู่ประมาณยี่สบกว่ากิโลเองนะถนนลาดยางถ้าวิ่งมาก็ไม่ถึง 20, ประมาณยี่สิบนาทีนะ ถ, ถึงวัดหลวงปู่ล่ะ พอทราบข่าวกําลังฉันจังหันอยู่ท่านก็ทราบว่าเอาหลวงปู่ไปโรงพยาบาลมุกดาหารพอไปถึงเครื่องทางหลวงปู่ก็จากไปแล้วจากนั้นก็เลยเอาหลวงปู่กลับมา น, นี่แหละก็วันที่ส9บเก้าวันพุ่งนี้นะหลวงปู่จากไปปกีกว่าอันนี้จะเข้าปีปีที่สองแล้วนะเพราะว่า อีกปีหนึ่งนะท่านมรณภาพปีหนึ่งแล้วก็ครบปีเราก็ถวายถวายพระราชทานเพลิงองค์หลวงปู่จามนะแต่วันนี้กเนี่ยมันวันนี้เป็นครบครบปีอีกปีหนึ่งนะปีที่แล้วนะก็เป็นอ น, นว่าหลวงตาหลวงปู่จามจากไปสองปีปีนี้นะเพราะนั้นหลูงพ่อก็ได้ ไปจัดงานของหลวงปะหลวงปู่จามหลวงอาเมื่อปีที่แล้วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นก็ยิ่งใหญ่ตามสมควรตามนะทำสุดความสามารถที่ได้ดูแลองค์หลวงอาจามแต่บัดนี้ก็ยังเหลือแต่พวกเราธนบัตรของใครของเราธนะบัดนี่นะจะไปหาจัดแต่คนอื่นนะในดูจัดตัวเองบ้างนะพวกเราท่านทั้งหลาย หลวงพ่อก็เตรียมตัวจัดตัวเองเหมือนกันนะเอ่อสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นบุญกุศลเนี่ยสิ่งไหนที่มันจะดีคิดดีทำดีพูด ด, ดีให้จัดให้จัดสรรตัวเองให้บริหารให้บริหารจัดการตนเองให้ดีที่สดุดอันไหนดีฮรู้ไหมดีเพวกเราที่ได้ยินได้ฟังทำคาสอนของหลวงพ่อพูดทูกเช้านะ พวกเราคงจะคิดได้ว่าอันไหนดีนะ <c oughs> ต่อนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร